ไม่ต่างกันพืชพันธางต่างๆๆนี่พ็มีแม่ก็เกิดขึ้นมาเองไม่มีคนไหนที่จะเอาให้หูตาจมูกดิ้นใจใจเป็นธรรมชาติสร้าง ม, มาถึงเวลาพบกาหนดก็ออกมามันก็ออกมาเองของมัน มันก็เป็นเองของมันไม่ตมายตามเมล็ดต่างๆเมล็ดต่างๆแล้วเอาใส่ดินนํารถถึงเวลาสมควรมันจะงอกขึ้นมามันก็เป็นของมันเองสมควรจะมีรากสมควรจะมีลาําต้นสมควรจะมีกิง่งมีใบสมควรที่จะได้รับดก รับมากรับผลมันก็เป็นเองของมันนั่นก็เหมือนกันฉะนั้นเราพยายามการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันถึงเวลามันเกิดสมควรที่มันจะเกิดมันก็เกิดเองของมันไม่ต้องอยากเป็นอยากผิดเพียงรู้มันเพียงรู้เคลื่อนรู้ไหวรู้ไปรู้มา สิบสี่จังหวะรู้ทุกจังหวะต้องรู้ทุกจังหวะไม่รู้ก็ทำให้มันรู้แต่อย่าเพ่งอย่าเพ่งอย่าจ้องอย่ากดอย่าพึง่งทำให้สบายสบายทำให้สบายถ้าเรา ยิงไปเพ่งไปจ้องมันจะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นฉะนั้นยิงมาให้เพ่งให้จ้องทำให้สบายสบายคนจะเข้าใจได้คือรู้จักลกอย่าให้อวิชาครอมันผิตใจของเราเอาความรู้สึก สสร้างคนรู้สึกลูปเดียวพวิชามัก็จะหายเองสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าตัวของเรามีทุกอย่างอยู่ที่นี่ดีก็อยู่นี้ชั่วก็อยู่นี่ที่เป็นพุทธศารสาัญญาไปอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไครอยู่ที่เราทั้งหมดจะเป็นสัตว์เดียวเลฉานก็อยู่ที่เรา พวกเราไม่มีสัตว์เดรัจฉานไม่มีมีแต่สิ่งดีๆเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมคนที่มีบุญญาปารมีก็คือพวกเราเนี่ยมาสร้างปารมีให้มันเกิดทุกคนมีอยู่แล้วถ้าไม่มีไม่มาชวนมาก็ไม่มาพวกเราเนี่แหละเป็นเทวดา เห็นเป็นองก์ับพวกเราตัวกุศลศาสนาก็คือพวกเราแต่ละคนแต่ละบคุคคลขาดคนเหล็กก็คือขาดกุศลศาสนาไปนคนหนึ่งจะเป็นนกเป็นหนูเป็นปูเป็นปาลาแต่พวกเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มีวิญญา ก็คือมนุษย์เนี่เยเกิด ค, คนเรานี่ไปเกิดชิดว่านตะามปณิวิสิกของหลวงพอ่อเป็นได้ทุกอย่างเป็นนอนก็ยังได้ใส่เดียนเป็นผีในปัจจุบันใส่เดียนกับปัจจุบันนอนก็ปัจจุบันเนี่แหละไม่ใช่ตายแล้วไม่ใช่จากโลกนี้ไป อยู่ในปัจจุบันทั้งหมดจะเป็นบุญเป็นกุศลก็อยู่ปัจจุบันในต้องไปหลอชัดนะสรัพย์ภายนอกของเราเราจะไปได้ก็คือมาฝังไว้ในพุทธ ศ, ศาสนาสิ่งจะไปได้เรามาหาสรัพย์ภายในสิ่งจะได้ไป พยายามสร้างให้มันถูกต้องถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็ไม่เป็นมันไม่เป็นต้องทำให้มันถูกอย่าไปอยากได้บุญโดยมากก็อยากได้บุญเนาะมานี้ก็อยากได้บุญอาจจะเยอะอยู่คนที่ยังไม่เข้าใจ เ้องยาวบนลูกเดียวบุ่นนั่นซื่อๆเฉยๆไม่ดีไม่ชัว่วพอปุ่เกิดเราก็อาจจะพอใจให้จิตของเราสบายเดินไปไหนมาไหนเหมือนจะเป่ากายเป่าใจมันเป่ากายเป่าใจก็เพียงแต่ว่ามันเป่ากายเป่าใจเท่านั้น อะไรจะเกิดขึ้นก็ตักเราก็ยา่าว่าเป็นสีเป็นแสงหรือนิมิตอะไรเกิดขึ้นก็ตักพยายามกลับมาอยู่ปัจจุบันอย่าไปลงนิมิตเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงดีก็สวัสดีเสียงดีเสียงไม่ดีก็สวัสดเสียงไม่ดีเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่าง งองค์สุเดียตเป็นสมาสังกติเจ้าท่าบัญญัติไว้ให้เราปฏิบัติกันเราต้องพยายามเพียงสักว่าเป็นคำของพริเจ้าฉะนั้นเราต้องทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องลกละออกไปถ้าทำจริงดูจริงเห็นจริง ถ้าทําจริงรู้จริงเห็นจริงขอให้ทําไปเรื่อยๆทํำไปเรื่อยๆ ไ, อยไม่ใช่ว่าไม่ให้หาเงินหาทองหาข้าวหาขอ ง, ของเลี่ยงครกบครัวเราต้องหาหากับความว่างมันจะไม่เหนื่อยทํางานทํากับความว่างมันก็ไม่เหนื่อย ทำอะไรอยู่ก็ตามความคิดเราว่ายังรู้ลูกรู้หนาอย่าไปยึดมันรู้แล้วอย่ายึดมันจะไม่เจริญรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วาไม่มีตัวมีตนไม่มีอัตตาถ้อาอย่าวางเขาไว้รู้แล้วเพียงแต่วรู้ เห็นแล้วเพียงตวเห็นเป็นแล้วเพียงตวเป็นอย่าให้มีอัตตาอย่าให้มีตัวตนชื่อซื่อเฉยเฉยคำว่าชื่อซื่อเฉยเฉไม่ซื้อบือ้อไม่ใชยซื้อบือ้อไม่เข้าไปเป็นกับมันมันรู้แล้วคิดแล้วมันก็ต้องไปไปเป็นกับมันความจริงความคิดไม่ให้คนเป็นทุกข์ ความคิดเป็นธรรมชาติของมันมันจะไหลยอยู่หมือนน้าความคิดของเราถ้ามันไม่คิดเราก็ไม่รู้มันคิดก็เรื่องของมันมันจะคิดไปไหนก็ช่างมันพอให้กลับมาอยู่ปัจจุบันถ้าเรามีปัจจุบันจริงๆมันก็จะสลายเองของมันไม่ต้องว่าตัดว่าดึง ในตมวตัดวาดลับมาเลยลับมาอยู่ปัจจุบนันให้มีปัจจุบนันคิดว่าถูกต้องอดีตอนาคตทำให้คนเป็นทุกข์จะไปคิดว่าความคิดทำให้คนเป็นทุกข์ คนทุกเพราะว่าไปยึดความคิดไปเป็นกับความคิดชิดดีก็ตามมันไปอย่าอย่าหลงปัญญาของตัวเองอย่าไปหลงความคิดอาจจะเป็นอะไรละ่ะพูดไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นผู้พูดไม่รู้เรื่อง นันเราอย่าไปต่ามอย่าไปลงมันความคิดของเราถ้าเราไปลงมันอาจจะไปใหญ่ครูบาอาจารย์แนะนำอาจจะไม่เอาอาจจะแกใไรไม่ได้เพราะว่าข้าพระเจา้ารู้แล้วไม่เชื่อใครอีกแล้วคนนั่นละ่ะจะหลงทาง อย่ า, อาไปยึดมันถ้าเป็นของจริงมันจะรู้เองถ้าถึงเวลามันเกิดมันจะรู้เองของมันพ่อยเองแล้วมันก็ไม่ลืมมันจะเอามาพูดได้ถึงเวลามรรคผลมันเกิดจะทำกานปฏิบัติต้องมีมรรค มักคือข้อปฏิบัติถึงถึงความดับทุกเราพยายามให้มีมักให้มีศรัทธากับการปฏิบัติสู้ไปอะไรจะเกิดก็ทให้เกิดความง่วงเกิดขึ้นทุกคนมีความงม่วงความง่วงก็เป็นธรรมชาติของเขาเราพยอยากม่วงมันก็ง่วง มันเป็นธรรมชาติก็ยช่างมามันเป็นไปกับเราต้องหาวิธีแก้ไขมองไกลๆมั่งดูสูงๆมั่งทำแรงๆหาวิธีไม่ไหวเพ่งเป็นเพ่งเอียก็เลย ตื่นตาลูกใหญ่หญโตๆพระก็เหมือนกันลงพ่อก็เหมือนกันเมื่อเวลามันจะง่วงจิตของเรามันปอดกำลังไม่พอควมรู้สึกไม่พอฉะนั้นเราต้องพยายาหาวิธีการอย่าไปนอนให้มันถ้าเรานอนให้มันวันหลังมันก็นอนเหมือนเดิ ถ้ามันผ่านแล้วมันก็หากไปเราก็จะได้อารมณ์แต่อารมณ์อยา่าไปลงอารมณ์อารมณ์ซื่อเฉยเฉยมันตื่นอยู่เสมอนะั่นคืออารมณ์ที่ปฏิบัติได้แต่ก่อนหลวงพ่ออารมณ์ที่ว่าได้อารมณ์คือไปพอใจในอารมณ์ไปตามคนคิดคิดดีเทีทั้งหวันแสดงทั้งหวัน สมมติคนมาฟังไปอยู่อย่างนั้นเรื่องนเมิตมันก็เกิดเยอะเหมือนกันเป็นคนเดินหน้าบางข้างบอกวา่ามาทางนี้มาทางนี้มันเรียกลราก็เดินไปตามมันคนมันจะเป็นมันก็ต้องมีอาการเพิ่มม่วง มันก็เป็นกลับเก่าๆมาคิดมากง่วงมากกลงวันไม่เคยนอนสมัยก่อนครูบาอาจารย์บ็กว่าทานแล้วฉันแล้วต้องเขา้าทางเดชโยกรมให้พักพอนเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้จะเอาชั่วโมงหนึ่งให้ชั่วโมงหนึ่ง แต่ก่อนไม่เข้าเข้าสู่เส้นทางของการปฏิบัติธรรมม่วงก็สู้อย่างนั้นไม่นอนสู้ไปสู้มามันก็ผ่านเองอย่าไปหลงความสิ์ของเราวางรูปเดียววางรูปเดียวมันยิ่จะเกิดผล ถ้าเราไม่วางมันก็ไม่เกิดผลไม่มีมัหละกามมาัดตัณหาเพราวะตัณหาวีภาวะตัณหาต้องละออกไปคำว่าการ ม, มัดตัณหาคือความอยากของเราทุกสิ่งที่เราอยากค ด, วดกีวัฏจักรภาวตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี้ ไม่สิทไม่ไม่สุดไม่สิบธิ์วิภาวะตัณหาไม่อยากเป็นนั้นเป็นนี้จะเป็นเจ็บเป็นไข้เป็นป่วยเป็นอะไรก็ตามปิดจะตายก็ตามไม่มีใครอยากเป็นอันนี้คือส่วนนี้ก็เป็นกาเหมือนกันความจริงแล้วความตายของเรามันเป็นของเที่ยง ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเกิดเจอเจ็บตายเป็นธรรมชาติมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่าวันไหนเกิดทีหลังไปก่อนก็มีฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวห้ามไม่ได้ถึงเวลาถึงเวลามันเป็นเองของมัน ไม่อยางตายมันก็ตายนอนอยู่เฉยเฉยมันก็ตายได้อย่าไปกลัวมาพยายามบังเรี่ยงผีสารก็ไม่ต้องไปกลัวมันอยู่ที่เราที่แหละผีโทสะผีโมหะผีโลภะครอบงำครอบงำจิตใจของเราแต่ระบุคลเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัตินี่ผีก็จะสลายไป จะได้เจของดีๆไม่ใช่ผีก็อยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ตายไม่ใช่ตายแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่โทสากเกิดะโทสากเกิดขึ้นนั่นแหละคือผีมันเกิดจะเป็นยักษเป็นมารอะไรหลายๆอย่างคนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน แรืว่านานาจิตตางจิตของคนก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราโชคปีที่สุดที่จะเป็นมีผู้มีอุญญาตารมีสร้างสติสร้างสมาธิสร้างสติมากเมื่อมีสติมากสิ่เราก็คมมันเป็นเอก ถ้ามันไม่เป็นเองเราก็ไม่รู้นะอิริยาบถเย่อยๆอยถ้ามันเป็นเองแล้วเราไม่ได้กําหนดมันก็รู้มันก็เป็นของมัดมันจะเป็นข้องมันอีกฉะนั้นเราจึงสร้างแต่สติเมื่อมีสติก็ต้องมีสมาธิสมาธิให้วหวนไวแต่สิ่งไดสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ ใครจะว่าดีใครจะสนเสริญใครจะเนินทามันจะไม่เกี่ยวข้องมันจะไม่สนมันจะไม่หวั่นไหวคิดของเราเป็นปกติเมื่อคิดของเราเป็นปกติก็คือเราเป็นผู้มีสิทิเป็นผู้มีสิทอยู่ที่เราทั้งหมดจะเป็นผู้ พระศ์ก็อยู่ที่เราสรางผู้รู้ผู้ตื่นนั่นคือพุทธะจะได้มาปกปรักรักษาพระธรรมคือการเ่้นการไว้ไปมาเขาเรียกว่าพระธรรมเอาจิตของเรามาฝึกที่กายของเราเขาเรียกว่ากายนี้เป็นพระธรรม ทำนามก็ทำไปด้วยกันไปในไปด้วยกันเขาเรียกว่าพระพุทธกับพระทรรมสงคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์นั่นคือพระสงฆ์ไมอยู่ที่เรา ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นทำกับความว่างยกมือก็เพียงแต่ว่ายกอย่าไปเนตเพียงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรารู้อย่าให้มีอัตตาอย่าให้มีตัวตนโดยมากสรรเสริญพอใจนินทาเสียใจ ถ้าไปเจ้าไม่เอาหรอกสิ่งที่ไม่ดีพอได้ยินเสียงไม่ดีมากา็ยึดมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นเป็นคนของโลกท่านจกหนีจากโลกไม่ได้มันก็ยึดอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเราต้องอยู่กับโลกให้หนีโลกให้หนีโลก เราจะไปทำการทำงานอะไรก็ตามมันจะสบายเมื่อเราทำแล้วแล้วถ้าทำได้แล้วมันจะสบายไม่ต้องสงสัยการปฏิบัติธรรมมันเป็นเองของมันมันเกิดขึ้นมากับธรรมชาติจริ ง, รงตัวธรรมชาติธรชาติ ธรรมชาติภายนอกธรรมชาติภายในโลกภายนอกโลกภายในโลกภายนอกก็คือมองมองไปภายนอกไปเห็นโลกภายนอกเห็นภูเขาราวกาป่าไม้นี่ก็เป็นโลกเหมือนกันนั่งอยู่นี่แต่ละโลกแต่ละโลกหลายโลกด้วยกัน หลายโลกด้วยกันอาจิตถึงสองสามหลอยโลกแต่ละ บ, บคุคคลเป็นโลกของใครของมันฉะนั้นยิ่งมองเข้ามาโลกภายนอกวนกวงไกลไกลกวรูปโลกภายในลึกซึ้งรู้อยู่บ้างไม่ถ้ามองโลกภายนอกมองออกไปถ้าจะมองภายในมองเข้ามา มาก็ไม่เห็นสิ่งที่ซึ่งซึ่งอยู่ในจิตในใจของเราเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เราก็ทําไปเรื่อยๆของมันทําไปเรื่อยๆจะรู้แล้วก็ทําไม่มีแล้วตากใดยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆข้าพรเจ้ารู้แล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติต่ออยู่ใช่นี่ก็พอแล้วเกิดฟังในรู้สึกแล้วว่าอาการของขีดของเราเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเรายึงทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆกลัวจะชีวิตหาไม่อเราต้องทําไปเรื่อยๆ คนเราเกิดมามีทุกข์มากที่สุดดีก็เป็นทุกข์ชั่วก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราต้องพยายามหาตัวหาตัวชื่อเฉยเฉยมันจะได้สบายมันจะได้สบาย ซื่อเชยไม่ดีไม่ชั่วทําให้เป็นใช้กลางนั่งเอาเดียวชั่วคิดดีก็กลับมาอยู่ตรงกลางกลางคือตัวปัจจุบันพวกเราปฏิบัติใช้กลางตัวกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกตัวนี้เป็นตัวอยู่เนื้อดีเนื้อชั่ว เนื้อบุญเนื้อบาตถ้าเนี้อแล้วยอดเป็นยอดของบุญแล้วไม่ต้องประยากได้อย่าเป็นธาตุของกิเลสอย่าเป็นทาความกิเลสวางให้หมดดีก็วางชั่วก็วางสวงพุ่มพวแล้วน้อยเนาะคงจะส่งคนเจวลาเสียหนัง มาที่นี่เพราะให้ตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลเพราะงานลงผูกของพวกเรางานหนุบปูเทียนคนทุกคนก็ต้องตั้งใจมาหาหเวลามาอย่างต้องพ่อนิมนต์ก็ไม่รับเขาโทรมานิมนต์ไปก็มากลับต้องมาให้ได้เพราะว่า คิดถึงครูผู้เป็นปรมาจาร์ฉนั้นทุกข์ก็คงจะเหมือนกันฉะนั้นขอตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติไปไม่ต้องหวังอะไรทั้งสิ้นถ้าเราหวังมันจะไม่ เ, เกิดปัญญาต้องละต้องปล่อยต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดไปไหนมาไหนขยามอาบน้มสูงน้ำล่างหน้าเปล่งัน ของน้าห้องส่วงก่อนจะนอนก็ดูลมหายใจหรือจะยกมือไปกลัวมันจะหลับก็ได้หลับแล้วแล้วไปตื่นก็ามาดูต่อฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนจงเจริญในศีลในธรรมอยู่เย็นเป็นสุขมีอายุมั่นละสุขะภะทุกท่านทุกคนเธอ